ก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมิของมนุษย์นี้ต่างก็ได้เป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมายนับชนิดนับชาติไม่ได้เป็นกันทั้งเทวดาสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กรวมทั้งมนุษย์ชายหญิงคนมีคนจนคนสวยคนไม่สวยคนพิการคนไม่พิการอายุสั้นอายุยาวขาวดําไทยจีนแขกฝรั่งต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นถ้าแม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวชยิ่งนัก และอาจจะสละละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมากเห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัวและลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเช่นเดียวกันเคยกระเซาอกระเซิงเที่ยวหาอาหารกินถูกคนตีถูกสุนัขด้วยกันกัดถูกใครทั้งหลายที่ได้มาประสบพบผ่านสแสดงกิริยาวาจารังเกยียจเกลียดชังไม่ยอมแม้แต่จะให้เข้าไปใกล้ เพื่ออาศัยร่มเงากันแดดกันฝนก้อนอิดก้อนหินก็ถูกทุ่มถูกขว้างใส่ให้ตรงถึงเลือดตกยางออกตกใจกลัวภัยนานาเพียงแต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจก็ทำไม่ได้อย่างมากก็เพียงเปล่งเสียงโหยหวนที่หามมีผู้เข้าใจในความทุกข์ร้อนไม่แม้นึกไปในอดีตเช่นนี้สมมติตัวเองว่าในภพชาติหนึ่งเป็นเช่นนี้ นึกให้จริงจังเช่นนี้จะเกิดความกลัวกรรมเพราะย่อมได้ความเข้าใจว่ากรรมไม่ดีแน่แท้ที่ทำให้ชีวิตต้องเป็นเช่นนั้นอย่าเป็นผู้ปฏิเสธเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมอย่างปราศจากเหตุผลคืออย่าปฏิเสธดื้อว่าใครจะเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่ใช่เราเราไม่เคยเกิดเช่นนั้นแน่คนจะเกิดมาแต่สัตว์ไม่ได้สัตว์จะไปเกิดเป็นคนก็ไม่ได้ ไม่มีเหตุผลเป็นความเชื่อที่ปราศจากเหตุผลเป็นคนสมัยใหม่แล้วจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เพื่อความไม่ประมาทจงอย่าปฏิเสธโดยไม่รู้จริงเช่นนี้เพราะวันหนึ่งจะหนีไม่พ้นผลที่น่ากลัวนักของกรรมเด็กบางคนวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานในโรงเรียนอยู่ๆก็มีลูกปืนแล่นเข้าตัดชีวิตปลิดชีพจากโลกนี้ไปอย่างง่ายดายเด็กตายไปแล้วไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ ก็เรื่องหนึ่งแต่มารดาบิดาผู้ต้องสูญเสียลูกไปปุบ ป, ปับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พึงพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมว่าต้องเคยไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผู้ใดมาก่อนแล้วในอดีตจึงต้องมาได้รับความทุกข์แสนสาหัสจากผู้ที่ไม่รู้จักหน้าตาผู้ที่ไม่มีปรารถนาจะก่อทุกข์โทษภัยใดๆเลยและทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ์เช่นนี้เป็นไปได้ ที่อยู่ดีๆจะต้องสูญเสียยิ่งใหญ่เช่นมารดาบิดาที่เสียลูกไปอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุรู้ได้แน่นอนเพียงว่าเป็นผลของกรรมไม่ดีที่ต้องได้กระทาไว้ในภพชาติใดชาติหนึ่งแน่นอนพระสาคัญองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระดีพระสาคัญยิ่งคือสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตพรห ม, มรังสีวัดระคังโคสิตารามมีเรื่องเล่าถึงท่านว่า ครั้งหนึ่งพระในวัดของท่านตีเพื่อนพระด้วยกันจนหัวแตกท่านได้ชำระความด้วยการบอกพระที่เป็นเจ้าทุกว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเป็นผู้ทาเขาก่อนเมื่อเป็นที่พิสวงสงสัยที่ท่านตัดสินเช่นนั้นท่านก็อธิบายว่าพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกในชาตินี้ต้องได้ตีพระอีกองค์มาก่อนไม่ในชาติใดก็ชาติหนึ่งถ้าจะให้รับโทษที่ทาในชาตินี้ก็จะไม่สิ้นสุดเวรกรรม ถ้าไม่ถือโทษความผิดในชาตินี้ก็จะเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านได้ถามความสมัครใจของพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกว่าต้องการอย่างไรพระองค์นั้นก็ยินดียกโทษไม่เอาความเป็นอันเลิกแล้วต่อกันท่านว่าจะได้ไม่มีการจองเวรกันต่อไปเรื่องนี้สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ท่านสอนเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมให้เห็นว่าเมื่อทํากรรมใดแล้ว จะต้องได้รับผลตอบแทนแน่แม้ข้ามพบข้ามชาติทำกรรมใดจะได้รับผลนั้นผู้ใดทำผู้นั้นจะได้รับไม่ช้าก็เร็วต้องได้รับและจะไม่จบสิ้นถ้าแม้ไม่มีการเลิกผูกเวรแต่ถ้าเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงนั้นการให้อภัยด้วยใจจริงในความผิดของผู้อื่นที่ทำต่อตนจึงเป็นความสำคัญเป็นสิ่งที่ควรอบรมให้ยิ่ง